กับนมัตรการเจ้าค่ะพระอาจารย์คือไม่มีอะไรอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือทางที่พระอาจารย์ชี้บอกที่เดินครูบาอาจารย์สอนตั้งแต่เริ่มเข้าทางธรรมเส้นทางธรรมก็คือสติความเพียรที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเส้นทางที่เดินมามันเห็นได้ตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาเรื่อยๆแต่ขณะนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่กําลังเดินทางอยู่ คือโยมอุปมาอุปไมยว่านี่คือการเดินทางเพราะที่สุดแล้วผู้เดินทางก็ไม่มีใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์แต่คือขณาดนี้โยมยังกำลังเดินทางอยู่ก็อาจจะเก็บเล็กเก็บน้อยตามที่พระอาจารย์ที่ได้สอนแล้วก็เห็นตามที่พระอาจารย์ได้สอนไว้ได้เห็นผลตามนั้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายของโยม เจ้าค่ะอาจารย์อ่าทั้นขอถามนิดหนึ่งเนาะว่าที่บอกว่าโยมยังเดินทางอยู่ขยาย ใ, ให้หลวงพ่อฟังที่ว่าทําไมยังยังบอกว่ายังโยมเป็นผู้เดินทางอยู่ตอนที่โยมกล่าวคํานี้ก็คือโยงอุปมาอุปไมยว่ามันคือการเดินทางแต่พอท่านได้กล่าวคํานี้ขึ้นมาโยมก็ลึกๆได้ขึ้นมาว่า มันมีมีเราเป็นผู้เดินทางเจ้าค่ะอาจารยสาธุษสาธุษสาธุษนะ่าถูกต้องปัจจุบันขณะจากความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจถูกมันจะพลิกเปลี่ยนเลยฉับพลันเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราหลงหลงลืมลืมก็คือนี่แหละเรื่องนี้แหละคือหลงลืมไปว่ามีเราเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้เดินทางเราจะต้องเข้าถึงนิพพานาได้ได้มันเป็นความหลงผิด แต่พอมีผู้มาชี้บอกสกิดนิดเดียวมันก็จะพลิกเลยจากความเห็นผิดนั้นเป็นความเห็นถูกขึ้นมาทันทีเลยว่าแท้ที่จริงอ่ะมันมีแต่สังขารปรุงแต่งมันไม่ได้มีตัวตนไม่มีตัวเราอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าฉับพลันขึ้นมาแล้วก็จะเป็นประสบการณ์อันสําคัญหมายความว่าคราวใดที่มันหลงอีกมันก็จะรู้เท่าทันได้อีกนะมันจะพลิกได้เร็วเรียกเขาเรียกว่ามันจะเป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์แล้วมันก็จะพลิกเปลี่ยนได้เร็วได้เร็ว จนกระทั่งเร็วต่อมาก็อาจจะไม่หลงเลยก็แล้วแต่นะอ่าสาธุกับโยมด้วยนะโยมทารีรัตนะอ่าโยมก็ติดตามวันนี้หลวงพ่อได้อ่านอ่านแชทที่โยมได้ส่งมาทางทางครบเฮ้าก็เห็นว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจในทางธรรมะฟังครูบาอาจารย์มาเยอะหลายครูบาอาจารย์ฟังมากฟังทุกคลิปฟังหมดเลยนะ วันนี้เดี๋ยวให้โอกาสโยมได้มาเล่าแชร์ประสบการณ์ว่าแต่เดิมมันเข้าใจผิดยังไงแล้วบัดนี้มันเข้าใจถูกว่ายังไรอะไรเออมาแชร์เพื่อประโยชน์คนอื่นด้วยกราบน้ัยการเจ้าค่ะพระอาจารย์คือว่าก็ตามที่ได้ได้เล่าถวายหลวงพ่อไปนั่นแหละก็คือเป็นคือมาอยู่ไกลบ้านเนาะแล้วก็หาที่พึ่งประมาณนั้นแหละ ทีนี้ก็ค้นค้นไปเรื่อยหละฟังไปเรื่อยๆธรรมะนะคะตามที่เล่าหลวงพ่อนะคะก็จะเปลี่ยนสายปฏิบัติทั้งหมดเลยค่ะจนจนมาคน้นพบมาเจอหลวงพ่อนี่แหละตอนนั้นมีผู้ติดตามท่านอยู่ประมาณห้าร้อยมีคลิปหนึ่งที่มันสะุดก็คือที่จะเล่านี่ก็คือทั้งหมดเป็นสังขารนะคะเข้าใจแล้วค่ะว่าเป็นสังขารแต่ว่าเ อ, อคนที่นั่งพูดอยู่เนี่ยเห็นเห็นคนที่นั่งกําลังรายงานท่านเอหลวงพ่ออยู่ค่ะ พอดีเพิ่งจะทำงานเสร็จแล้วเสียงจะประมานี่เป็นะคะรีบมากเลยอยากอยากจะร่วมแบบว่าติดตามเพื่อจะได้เข้าไปกราบหลวงพ่อสักครั้งก็คิดไว้นะว่าเออถ้ า, ากราบลงเครื่องเนี่ยก็จะตรงไปที่บ้านป่าสุขโตเลยที่คิดไว้นะแต่ตอนนี้มันไม่มีคำถามแล้วค่ะหลวงพ่อไม่มีคำถามมีแต่อยากจะกราบขอบพระคุณ องหลวงพ่อแล้วก็คุณหนุ่ยหนุยด้วยแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านมันมีเอ่อขอเล่าที่หนึ่งพระอาจาบอกเออหลวงพ่อให้เราประสบการณ์เนาะมันมีก็ฟังหลวงพ่อมาจนเข้าใจหมดแล้วแหละเข้าใจหมดแล้วจนมาวันหนึ่งหลวงพ่อได้สนทนากับเมชีสองท่านน่าจะเป็นทางอีสานนั่นแหละทางอีสานแล้วก็เม่มชีก็คุยไปหัวเราะไปหลวงพ่อก็เมตตาเมตตาขันก็บอกว่า ยอมเห็นไหมว่าเห็นหมาไหมบอกที่วัดมีหมาไหมอ๋อยอมยมฟังไปยมทํางานไปด้วยคือยมเข้าใจปิ้งขึ้นมาเชือกเลยค่ะเจือกเลยค่ะหลวงพ่อเห็นหมาไหมก็หมาดูซิว่าหมานั่นอะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่เราแล้วไอ้คนที่เห็นหมาเนะี่ก็ไม่ใช่คือตรงนั้นพอได้ยินคานั้นออกมานะยมก็ประเด็นออกมาอยู่ตรงที่ดูไอ้ตัวที่ที่เห็นหมานี่นี่เลยค่ะพ่อ แล้วก็ก็ไม่ได้อยู่เดียวใดถึงจะอยู่ที่เมืองนอกก็ไม่ได้เดียวใดก็เป็นคนที่ค้นหาจากการการปฏิบัตินะคะก็ก็ตอนนี้ก็ก็เข้าคอร์สกับกับกับพระอาจารย์ที่ที่พิษณุโลกนะคะก็เข้าคอร์สทางทางนี้แหละทางออนไลน์นี่แหละค่ะอีเพิร์ดแอทโฮมก็เข้าคอร์สคอร์สกับท่านมาแล้วก็คอยส่งอารมณ์มาเรื่อยๆความปฏิบัติมันก็ก้าวหน้ามาเรื่อยๆจนมาถึง จนมาถึงตอนนี้แหละแล้วก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาช่วงที่องค์หลวงตาออกไปองค์หลวงตานะี่ยลงสั่งนะคะก็ติดเรื่องเล่าให้ฟังว่าติดตามองค์หลวงตามาตั้งแต่ท่านมีลายแล้วก็เปิดเปิดเฟซบุ๊กไปเปิ ด, ป ด, ปดคลับเฮาส์ครั้งแรกเลยค่ะตกตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เห็นอยู่ว่าตัวเองตื่นเต้นแล้วก็ข้างในใจมันเต้นแรงมาก <c oughs> แต่แล้วก็พอหลว ง, ลงออพอองค์หลวงตาไม่อยู่นั่นแหละไป ท่านไปจารีกอะไรของท่านนั่นแหละลก็เป็นช่วงนั้นโอ้โหกลับมาฟังหลวงพ่ออีกทีหนึ่งหลวงพ่ออ้อีกทหนึ่งรู้สึกว่ามันมันมันก้าวกระโดดก้าวกระโดดมาจนมาถึงวันเนี้ยก็ไม่มีคําถามนะคะไม่มีคําถามมีแต่อยากให้หลวงพ่อถามกลับนะคะหรือว่าเพื่อนกัลยาณมิตรท่านอื่นถามก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมารายงานเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดนั่นก็คือมันเป็นสังขารทั้งหมดแล้วมันมันไม่มีอะไรเนี่ยปัจจุบันก็คือนั่งนั่งนั่งคุยอยู่เนี่ย มันมีอยู่แค่นี้ค่ะมีอยู่แค่นี้แล้วก็เห็นไตรลักเห็นการเกิดดับจากการบรรพวนานเห็นมาหมดแล้วค่ะเห็นอ น, นิจจลักษณ์อะไรทั้งหมดเนี่ยก็คือแล้วทีนี้การปฏิบัตินะคือจะบอกว่ายิ่งกว่าพระก็ได้เพราะว่าที่ที่นี่มันมันไม่ได้มีความเดือดร้อนดิ้นดนเหมือนเหมือนทางเมืองไทยเราอยู่กันแบบสบายๆแล้วมันสัพพะยะมากๆแล้วก็ครอบครัวก็อยู่แบบว่า มันสัปะยะมันไม่ได้ดิ้นรนนะคะก็คือก็ได้ครอบครัวที่แบบว่าเข้าอกเข้าใจแต่ก่อนนนั้นก็วิ่งไปบวชชีพรามสุขเสาอาทิ์ก็ก็ลาศีแล้วก็กลับมาตอนนี้ตอนนี้ยกยกวัดมาไว้ที่ใจแล้วก็มาไว้ที่บ้านด้วยก็ยกวัดยกบ้านให้เป็นวัดไปแล้วก็การปฏิบัติที่ทำงานเจ็ดชั่วโมงครึ่งก็คือทุกครั้งที่ ที่มูบอะที่เหมือนเหมือนหลวงพ่อเทียนท่านจะมีสิีจังหวะก็ขอของเราเอามาไว้กับกับการทำงานทั้งหมดเลยค่ะที่ทำงานเจ็ดชั่วโมงครึ่งก็คือขับรถกลับบ้านรูกตัวไปไปถึงตอนเย็นก็ก็ทำกิจกรรมกับครอบครัวนิดๆห น, น, นอ่อยๆแล้วก็ตื่นเช้ามาเวลาไหนก็นั่งสมาธิเวลานั้นค่ะเดินไม่รู้ตอนนี้มันมันมันรู้เป็น ตัวรู้มันมาอยู่ข้างนอกที่หลงที่ที่หลุดจากวันนั้นแล้วตัวตัวรู้ที่ที่เล่าถวายหลวงพ่อนะคะมันมันรู้ตรงนี้แล้วข้างในมันรู้ข้างนอกมันก็รู้อยู่ค่ะก็มีแค่นี้ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อถามเพิ่มเติมนะว่าก่อนตอนโู้น่ที่มันเคยรู้อีกแบบหนึ่งกับมารู้ข้า้งหลังเนี่ยที่มารู้ตัวเราอะนะมันมันต่างกันตรงมันต่างกันแบบไหนยังไง คือมีหลายคนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ปฏิบัติที่ผ่านมานะเอาตัวเราไปรู้แต่พอมาตอนหลังเนี่ยมันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าไอ้ที่ปฏิบัติแบบนั้นน่ะมันไม่ถูกเพราะว่ามันยังมีตัวเราไปรู้แต่พอเข้าใจเรื่องรู้เราเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าชีวิตมันเปลี่ยนมากเลยแล้วก็มันไม่เหมือนเก่าแล้วทีนี้โยมอธิบายขยายตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันพลิกยังไงถึงหรือว่าก่อนโน้นมันเป็นยังไงแล้วก็เมื่อ เข<อ>้าใจถูกแล้วมันเป็นยังไงอะอ๋อเจ้าค่ะคือตอนนั้นมันเอาตัวเองอ่ะไปปฏิบัติก็เห็นบ้างก็ก็ ก, ก็ก็เห็นบ้างเป็นบางครั้งเหมือนว่าเห็นตัวเองหลุดออกมาบ้างบางครั้งตั้งแต่วันที่เ อ, อ่หลวงพ่อชี้ให้ดูแม่ชีดูหมาแล้วก็คุณหน่่ยนุ้ยอธิบายเพื่อนกาลยานาะมิท่านอื่นที่ว่านายดำนายแดงอยู่ในห้องแล้วแล้วดูซิว่าว่ามีในห้องมีกี่คนนะอันนั้นคือครั้งที่สองที่ซึ่งมัน มันเหมือนว่าครั้งแรกที่หลวงพ่อชี้ให้ดูหมาตรงนั้นใช่ไหมมันหลุดไปเสร็จพอคุณหน่อยนู้นมาย้ำมันหลุดมันไม่เข้าไปรวมอีกเลยค่ะหลวงพอ่อก็คือชีวิตเปลี่ยนยังไงล่ะคะกายเบาใจเบาชีวิตชิวๆค่ะอยู่แบบโฟล์ล์เลยค่ะหลวงพ่อไม่มีอะไรค่ะก็ก็ตอนเนี้นักขนาดนี้มันไม่มีอะไรมันฟโฟล์ชีวิตมันมันไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นไหนยมก็ละมาอยู่เรื่อยๆจากการปฏิบัติ ตามเส้นทางนี้มาอยู่แล้วจนมาเจอที่ว่ากีหลุดออกที่ที่เล่าถวายลหลวงพ่อนเนี่ยค่ะก็คือตอนเนี้มนยมันเบากายเป็นเบาแขนเบามากก็ไม่มีอะไรเพมันมีอยู่แค่นี้โอเคเนาะจงประโยคสุดท้ายก็สําคัญโยมก็ละมาะเรื่อยๆเนาะอืมสุดท้ายก็ละตัวโยมตัวสุดท้ายนั่นแหละมันก็จะได้หมดกัน สาธุค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะโอเคคนต่อไปใครคุณโกโกครับคุณโกโกขึ้นมาเชิญเลยครับก็นักสักค่ระ น, น, นะครับหลวงพ่อปอดนะครับหลวงพี่กินภูมิครับ ก, นนบก็ผมผมก็ฝึกตามแนวแนวเออผมเคยไปวัดป่าโสภณัตนนะ ก็ตามแนวของพ่อเทียนนะครับพ่อคำเขียน ก, ก็ก็ฝึกวิปัสสนานะครับก็เอาปัญญากำกับไปผมก็ฝึกมาเรื่อยๆครับฝึกจนจนก็ฝึกความรู้สึกตัวครับแล้เราก็มาเจอหลวงพี่กิตภุมเนะี่ย เป็นคนแนะให้ผมนั่งสมาธิคือเพื่อให้มีสติมากขึ้นเพราะวิปัสสนาอย่างเดียวเนี่ยมันผมรู้สึกนะอันนี้อัน น, น, นี้อันนี้ส่วนตัวนเนอะผมสึกว่าวิวปัสสนาอย่างเดียวอะ่ะมันยังไม่ขอเวลามันเจอของจริงมันมันโดนปัตถะแล้วมันมันเอาไม่อยู่แต่ถ้า มีสติคือนักสมาธิมันก็มีสติสติมากขึ้นมันก็ทำให้เรายางได้หมายความว่าเรารู้สึ ก, สกตัวก่อนก่อนที่มันจะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะผักออกไปคือหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามาที่ควรจะควรจะเป็นมันจะพุ่งออกไป อันนี้ที่ผมผมได้จากจากสองสิ่งนี้นะจากวิปัสสนาก็คือปัญญาเนาะสติก็คือสติก็คือสิ่งที่เราต้องมีอยู่แล้วแต่โอเคแหละเมื่อผมนั่งสมถักมากขึ้นสติมันเพิ่มขึ้นมันก็เห็นเอ่อเห็นตามความเป็นจริงอ่ะครับข้างนอกอะไรเงรี้ยเห็นแล้วก็ ก็รู้สึกครับรู้สึกรู้สึกถ้าไม่ ถ, ถ้าเผลอไปก็ผมก็จะกลับมาที่ที่ดูลมหายใจนะฮะก็ก็รู้สึกว่าเออมันก็มีสติขึ้นแล้วก็เอาเคก็อยู่กัปัจจุบันต่ออะไรก็มีมี ม, ม, มีแค่เนี่ยที่ที่ผมผมอยากจะแชร์ครับผม <laughs> เดี๋ยวนะเพื่อคุยกันเพื่อให้เกิดสติปัญญาในปัจจุบันเนาะแต่ว่าหลวงพ่อขอขอถามเนาะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้โยมยืนหรือนั่งอยู่ออกันอ น, นอนนอนนอนตะแคงอยูโอ่โอเคนะอ่านอนตะแคงอยู่นอนบนเตียงหรือบนพื้นยังไงนอนบนเตียงครับนอนบนเตียงเตียงเนี่ยเตียงเนี่ยเป็นโยมไหมเตียง เตียงเออเป็นโยมไหมเตียงนี่เป็นโยมคืออย่างไงไม่ถึงว่าอ๋อเตียงเนี่ยกับโยมเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันไหมหรือเป็นคนละสิ่งกันเพราะคนละสิ่งจา ร, ร ค, <น S 2> ครับหลพี่หลงพคนละสิ่งใช่ไหมแล้วโยมลองตอบซิว่าทําไมเตียงจึงเป็นคนละสิ่งกับตัวโยมเออะให้เหตุผลตามที่โยมมีความรู้นี่แหละว่าออทําไมเตียงจึงไม่ใช่โยมอย่าเงี้ยเตียงมันก็คือเตียงเอ อ, เ อ, อ ก็ก็เตียงก็ก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมนอนเนาะประจำเนาะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือตอนนี้ยผมก็อยู่แบบสบายๆก็ท่านนอนแบบคุยกับหลวงหลวงพ่อออดแบบสบายๆเราไม่ได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบเครียดอะไรสึกตัวเองแบบก็เบาๆก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบเออก็อยู่กัปัจจุบันนี่แหละก็อยู่กับเนี่ยคุยกับแต่เที่หลวงก็ถามก็คือ เตียงเนี่ยเป็นโยมไหมเออถ้าสมมติตอนเนี้ยจะต่อว่าไงเป็นหรือไม่เป็นเตียงเตียงก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอะค่ะไม่ใช่คนละสิ่งกับผมอยู่แล้วคนละสิ่งนะแสดงว่ามีสองสิ่งคือมีเตียงกับมีตัวผมเนาะอ่าใช่ครับอ่าทีนี้เมื่อมีเตียงเตียงไม่ใช่เราแต่ตัวผมเนี่ยมันเป็นตัวผมเลยใช่ไหมอือผม คือคือผมอต้องบอบอกเพราะหลวงพ่อพี่ว่าคือผมผมผมรู้สึกเหมือนกันว่าสิ่งที่ที่อยู่ในร่างกายผมมันไม่ใช่ของผมแล้วอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมผมพร้อมตายได้ได้ทุกขณะจิตเลยนะไม่ไม่อันนี้นี่พูดตรงตเพราะผมรู้สึกว่าเออไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของผมอ่ะ คือถ้าถ้าเป็นสิ่งของผมเนี่ยมันต้องแบบห้ามแก่ห้ามห้ามเจ็บห้ามตายถูกไหมแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันก็คือยืมยืมเข้ามาเฉยๆอยื่ไม่ไม่ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบเอาหลอนะอันนี้ย น, นี้ตอบจริงๆว่ามันก็เป็นสิ่งที่เนี่ยคือมันไม่ใช่ตัวผมหอะ่ะแต่ว่าผมรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมยืมเข้ามายังไงมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเราดูแลตัว ร่างตรงเนี้ยที่เราหยิงเขามาให้ดีที่สุดหมายความว่าให้มันเจ็บน้อยที่สุดให้มันเพ่ไม่ได้เจ็บน้อยที่สุดเขาเรียกว่าให้อยู่เป็นปกติอ่ะครับแต่ถ้ามันไม่ปกติเราก็อยู่กับอยู่กับมันได้อะไรเงี้ยครับทีนี้เนื่องจากว่าตัวตัวที่สมมุติชื่อเรียกว่าตัวผมเนาะตัวนี้คือมันเกิดมาแล้วมันต้องตายแน่นอนเนาะทุกคนยอมรับถูกไหมครับทีนี้มันจะพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไง พ้นจากความตายเนี่ยเออจะพ้นได้ยังไงในเมื่อตัวมันมันต้องเป็นตัวตายอยู่แล้วมันเกิดมาชั่วคราวแล้วมันก็ตายตรงเนี้ยมันจะพ้นจากความตายได้ยังไงอ่ะมันพ้นไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องตายคื อ, ค, อ, ค, อคือเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องแบบมันเรื่องปกติอยู่แล้วผมพอ่อใช่ไหมออคือกลับอืกลับมาตรงที่เตียงที่นั่งอยู่ เราเป็นเตียงไหมตัวเราเนี่ยเราเนี่ยความเป็นเราเนี่ยกับเตียงมันคนละสิ่งกันเนาะเราจึงไม่ได้เป็นเตียงถูกต้องไหมอ่าเราไม่เป็นเตียงแสดงว่าเราพ้นจากความเป็นเตียงเข้าใจได้ใช่ไหมใช่ครับอ่าเราพ้นจากความเป็นเตียงแล้วเพราะเตียงไม่ใช่เราเตียงก็คือเตียงแล้วเตียงมันก็เน่าเปื่อยผุพังไปนะส่วนตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้เห็นเตียงเนี่ยเป็นผู้นั่งอยู่บนเตียงเนี่ยมันเป็นตัวตายเหมือนกับเตียงเหมือนกันเนาะ พอเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็พังเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ต้องเสื่อมไปอ่ะเพราะฉะนั้นตัวตัวเตียงก็พังตัวเราก็พังแต่ทีนี้ทำยังไงถึงจะให้พ้นจากการพังเออทำยังไงให้พ้นจากการตายมันมีอยู่แต่ว่าอันนี้หลวงพ่อถามก็เพื่อให้เกิดในทางปัญญาว่าครั บ, อบเออจะตอบหลวงพ่อยังไงอย่างเงี้ยอืมจริงจริงๆิไอปริศนาที่ผมเรียนมันก็คือ ก ล, กลับด้วยปัญญาเนาะคือพอมีปัญญามันก็จะเห็นว่าไอ้ไอ้สิ่งที่ตรงเนี้ยร่างกายเราความเจ็บปวดหรือความอะไรอง้แต่มันมันไม่สามารถควบคุมได้คมันก็คือสมมตว่ามันเจ็บ ก, ก็ก็รู้สึกว่ามันเจ็บเท่าที่มันเจ็บแต่ผมไม่ได้เอาใจไปเจ็บด้วยเงี้ยครับคือผมก็มองในสิ่งที่ผมผมก็มองมองร่างกาย ก็เฉยๆครัไม่ไ <vou> ด <like S 1> ้มองแบบไม่ได้มองว่าเราเราไม่ได้เป็นเราแค่เป็นผู้เห็นนะครับแต่เราไม่ได้เป็นผู้เป็นกับมันพอพอพอจิมคือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันมันก็เป็นร่างกายของเราอ่ะแล้วไม่ใช่ก็คือร่างกายในสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เอาเข้าไปเอาเข้าไปเป็นผู้เป็นนะครับอ่าโอเคเข้าๆแล้วนะอ่าเหมือนกับว่า เราเห็นเตียงเนาะเตียงที่มันไม่เป็นเราเพราะว่าเราเห็นมันตกฟังไหมใช่เราเห็นเตียงเตียงก็เลยมันก็คือเตียงแต่เราไม่เข้าเป็นมันเพราะว่าเราเป็นคนเห็นมันเห็นไหมเราหลุดมาจากเตียงแล้วเพราะฉะนั้นเตียงมันจะเคยมัาสับเครจะมาเผาไฟแต่มันก็ไม่โดนเราเพราะเหตุว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเตียงเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเตียงแต่ทีนี้เมื่อกี้พอมาถึงพูดถึงเรื่องตัวเองบ้างตัวเราเนี่ย นตัวเรามันก็เหมือนกับเตียงก็คือว่าเป็นของที่ตายเหมือนกันถูกต้องถูกต้องเนะาะแต่ทีนี้จะพ้นจากตัวเราได้ยังไงเมื่อกี้โยมใช้คำว่าเห็นถูกต้องไหมใช่ต้องเห็นแต่ทีเนี้ยเออโยมอธิบายเรื่องการเห็นทีเนี้ยเรื่องการเห็นตัวเรามันแบบไหนก็ก็เห็นในสิ่งที่มันเห็นในสิ่งที่ขนาดเนี้ยคับว่าเออผมผมนอนตะแคงอยู่คุยกับหลวงพ่ออออยู่เนาะ แล้วผมรู้สึกอะไรบ้างก็รู้สึกสบายๆอธิบายแบบในสิ่งที่ผมรู้สึกเนอะรู้สึกแบบในสิ่งที่ผมไม่ไ ม, ไม่ไม่อไม่ไม่รู้สึกอดีใจไม่ึกเสยียใจยรู้สึกอธิบายแบบเป็นเรื่องในสิ่งที่ผมผมเป็นความรู้สึกตรงเนี้ยคือรู้สึกแบบเนี้ยอแต่ผมคือจะเมื่อยจะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ก็ไม่ได้เป็น ก็คือขยับขยับมันเฉยเฉยก็ขยับก็รู้ว่าอันนี้มันมันร่างกายเราขยับนะหรืออะไรย่เีแต่เราไม่ได้เราแค่เป็นผู้คือเขาเรียกอะไรล่ะผู้เห็นนะแต่ไม่ได้เป็นผู้เป็นนะออหลวงพ่อพอเนี่กแบบเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นมันนะแต่เห็นมันว่ามันเนี่ยมันนอนอยู่นะเออมันมันนั่งอยู่อ่ามันนอนตะแคงอยู่นะะมันมันรู้สึกยังไงล่ะผมก็จะถามว่ารู้สึก ต้องรู้สึกสบายสบายไม่ได้รู้สึกแบบเครียดอะไรอะไรเนี้ยก็อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมก็อยู่กับปัจจุบันค่นี้ครับทีนี้ไอ้เรื่องความสบายกับความไม่สบายก็คือมันก็อยู่ในตัวเรานี่เนาะถูกต้องไหมถูกต้องความความหนักความสบายก็คือมันอยู่ในตัวเรานี่แหละที่เรียกว่าตัวเราแต่มันจะพ้นจากความโล่งความโปร่งความเบาสบายหรือว่าพ้นจากความหนักโยมก็ใช้คําว่าเห็นมันถูกต้องไหม ทีเนี้หลวงพ่อก็สงสัยว่าแล้วเห็นยังไงอ่ะเอาอะไรมาเห็นหรือแบบไหนวิธีเห็นขยายเผื่อเพิ่มเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยอ่าเห็นหรอก็เห็นเห็นเห็นเห็นตัวเองอ่ะเห็นรู้สึกว่าตัวเองเป็นยังไงก็เห็นอ่ะเห็นร่างกายเราเห็นแล้วนอนยังไงเห็นแต่มันได้เป็นผู้เป็นก็คือรู้สึกแบบรู้สึกในปัจจุบันเนี่ยว่าเป็นแบบนี้นะ เราไม่ได้เราเออเราเห็นแบบเนี้ยแต่คือคือเราเห็นะอืมเราเห็นเรเห็นตัวเราเนี่ยว่าเออทุกอย่างมันมันเป็นแบบนี้นอะอเงี้ยครับแล้วมันเออไม่รู้สึกว่าครแบบกังวลถ้าผมกังวลก็คงพูดไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือจะรู้สึกว่าเออก็อธิบายไปในสิทธิผม คือความจริงเนีอะธรรมชาติของผมในความเป็นผมนี่แหละผมอธิบายเน้ในแง่ของที่ผมรู้สึกได้ว่าผมเป็นแบบนี้ไม่มีอธิบายเลยอ่าทีนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเนาะลองอธิบายเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เป็นการขยายความเพื่อประโยชน์คนอื่นว่าอะไรคือทุกข์และอะไรคือความพ้นทุกข์อ๋อทุกทุกก็คือคิดใช่ไหมครับ คือถ้าไม่คิดก็คือไม่ถูกเนาะคือคือผมรู้สึกว่าคือผมมาะผมรู้สึกว่าถ้าผมรู้สึกอ่ะผมก็จะไม่คิดไงก็ อ, อยู่ปัจจุบันไงก็คือแบบว่าไอ้สิ่งที่คือมันมันรู้สึกได้ว่าตอนนี้มันคูยกับหลวงพ่อทุนเนาะคูยอ่าอ่าแบบอธิบายให้ให้ใ ห, ให้ให้คนในห้องนี้ฟังอยู่เนาะแล้วผม ก็ผมก็จะถามตัวเองคือถามาว่าเออรู้สึกอย่างไงผมกม็รู้สึกอะไรก็รู้สึกอธิบายไปแต่ทุกทูกเพราะคิดใช่ไหมแต่ผมไม่ได้คิดคนระับคือมันมันรู้สึกมากกว่าที่จะคิดรู้สึกว่าเออมันเป็นยังงี้รู้สึกอยู่กับปัจจุบนันก็นั่งนอนก็คือนอนตะแขงอยู่เดี๋ยวก็อาจะเปลี่ยนอริยบทแหะมันเริ่มเมื่อยละอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ก็ก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเออความเมื่อยมันจะแบบมันจะทําลายความสึกกลัวหรืออะไรก็ก็ไม่เป็นไรก็มองมันเข้าใจมันว่าเออมันเป็นแบบนี้แหละคือมันมันมันไม่เที่ยงอ่ะมันมันไม่มีอะไรเที่ยงครับมันก็ขยับมันเปลี่ยนโฟกัสมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่หลวงพ่อถามเรื่องถูกใช่ไหมกับ กับพ้นทุกใช่ไหมการพ้นทุกก็คือการไม่คิดนั่นแหละคือการพ้นทุกก็คือเห็นการถ้าถ้าถ้าถ้าภาษาพาก็คือเห็นการเกิดดับมาครัเกิดดับของความรู้สึกเราในขณะจิตของเราเนะี่ยก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่แหละหมาจิตเรามันถ้าเปลียบเทียมมันก็เหมือนลิงนะครับก็วิ่งไปวนไปว น, วนมาแต่ถ้าเรารู้สึก จากความรู้สึกของเราได้เนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นว่าเออนี่ไงความรู้สึกแบบนี้ไงเออวิ่งไปวิ่มาจะรู้สึกได้ว่าเออตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่อ่าอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อไม่รู้อธิบายถูกไมเนาะผมก็อธิบายแบบไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเอาของจริงนี่แหละการอธิบายต้องอธิบายเกิดจากการรู้เนาะเขาเรียกว่าออกอธิบายด้วยใจจริงๆรู้มายัางไงก็อธิบายไปตามนั้นนะนะ แต่ทีนี้เนื่องจากว่าโอเคโยมเนี่ยเข้าใจได้ระดับพอสมควรแล้วแหละแต่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเหมือนกับว่ายังไม่เห็นทางชัดเจนว่าไอ้ทางที่มันพ้นทุกจริงๆอ่ะมันพ้นยังไงเนาะเพราะว่าที่โยมบอกว่าทุกเพราะคิดแต่จริงๆคนเรายังไม่ตายมันก็ต้องคิดอยู่แล้วก็แสดงว่าทุกตลอดสิถูกปะ่ะเออแต่ทีนี้ความคิดเนี่ยมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งมันก็ยังเกิดดับแต่ทํายังไงให้พ้นจากความเกิดตรงเนี้ยที่โยมตอบว่าไงให้พ้นจากความเกิด ทำยังไงทำพ้นจากความเกิดดับใช่ไหมครับมันมันก็ต้องวาง อ, งอุเบกขาท่านในแง่หนึ่ง่เนาะคืออุเบกขาก็หมายความว่าวางใจให้มันให้มันอยู่อยู่อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละครับแล้วก็คื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคือโอเคแหละอันนี้นี่ผมก็พอรู้เรื่องคันห้ามาใช่ไหมครับคืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เห็นการเกิดดับของคันห้ามามาตลอด เพราะว่าอันนี้ผมผมยามแล้วผมก็ฝึกวิปัสสนามามาพอสมควรนะครับครับจากจากการที่ไปไปติดบัตรของอวัดป่าสมพนาดเนาะเขาฝึกแบบนี้แหละออมันก็ทำให้เห็นว่นาทีนี้เออทีนี้เนาะของโยมเนี่จริงๆถ้าคุยได้แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาแต่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นเนาะก็คือว่าครั บ, รบตามที่หลวงพ่อฟังเนี่ยยังมีตัวโยมเป็นผู้ไปฝึกเห็นไหม ยังมีโยมเป็นผู้เห็นเอใจรักมีมีโยมเป็นผู้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าหลวงพ่อพูดแบบนี้ อ, อ่าออกมาถึงตัวผมใช่ไหมเออเพราะว่าใช่ใช่ใช่ใชอะไ่านี้เออคือเราเราเรียนธรรมะเรารู้ธรรมะแล้วแลวหละเนาะเรารู้เรารู้แต่ทีนี้ให้มันพ้นจากตัวเราเนี่ยทยํายังไงอ่ะพ้นจากตัวเราทํำยังไงก็ก็คือผมไม่ได้เป็นผู้เป็นเนี่ยรกม ผมเป็นแค่ผู้ดูก็เมื่อเมื่อกี้บอกว่าเราเป็นผู้ไปเรียนเราเป็นผู้เห็นว่ามันไม่เที่ยงนะเออมันยังไปเราอยู่ไงทีนี้ให้มันพ้นจากตัวเราทํำยังไงอ่ะก็ก็ก็ผมบอกผมพอนีคือผมไม่ได้เป็นผู้เป็นนะครับผมแค่เป็นผู้เห็นผู้ดูเฉยเฉยคือเดี๋ยวนะผมไม่เป็นผู้เป็นนะผมตัวแรกแต่คือผมผมเป็นแค่ผู้เห็นเห็นเห็นเห็นว่าเออแบบมัน มันขยับมันรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าร่างกายสังขา ร, ร่างกายในกายภาพขยับยังไง อ, อันนี้อันนี้อันนี้รู้สึกได้ๆๆๆๆๆแล้วสมมติว่ามันมันเผลอไปมันหลงไปผมก็อ่าดึงลมหายใจเพื่อให้มันมีสติขึ้นมาหลวเพ่อคือเหมือนว่าพอดึงสติปุ๊บอ่าเฮ้ยไม่อยูปัจจุบันนี้ว่าหาเรืงเนี้ยก็อยู่ปัจจุบันก็ยังก็ยังเป็นผู้ปฏิบัติจุ่มอ๋อก็แหละแต่ว่า ไอ้สิ่งที่ผมปฏิบัติก็คือเป็นแบบเนี้ยก็คือสมมุติว่าเราหลงไปเราคิดปรุงแต่งไปเราดึงดึงลงดึงลงแห่งใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดึงยาวยาวเราผ่อหนหายใจยาวยาวมันก็จะเห็นอสติเราเราก็จะอ๋อเออใจุดปัจุบันนี่ว่านี้เราทําอะไรอยู่อ๋อเราเดินอยู่เนาะเรานั่งอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถ้าเราไม่เผลอแบบเนี้ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างคุยกับหลวงพ่อกับคนในห้องเนียผมก็ ผมไม่เผอผมก็อยู่อยู่กับจุบันนะครับอย่างเงี้ยหนึ่งแต่ถ้าถามว่าพ้นทุกยังไงผมก็วางเบกขานะคือผมก็ไม่ไม่ไม่คิดก็คิดแต่มันก็คิดแหละแต่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมผมได้คือผมอยู่มาอยู่กับความรู้สึกผมเองคือผมก็รู้ว่าเอ้ยคิดมันก็อยู่ความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกเออมาอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยู่เออนั่งยังไงอนั่งนอนอย่างนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยับ ทีนี้มันยังมีตัวผมผู้วางอุเบกขายังมีตัวผมผู้วางอุเบกขาแล้วทํายังไงให้พ้นจากตัวผมที่เป็นผู้วางอ่ะตัวผมเออเพราะว่าผมอุเบกขาบ้างผมอย่างโน้นผมอย่างนี้นะออออทํำยังไงให้มันพ้นไปจากผมทั้งพวงทั้งยวงทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยก็ต้องก็ต้อง อ, ออกออกเอาตัวเองออกมาถ้าเอาตัวเองออกมามันก็เหลือตัวเองผู้ออกมาอีกอ่ะไม่ไม่ถึงว่าพอเอาออกมาใช่ไหม ก็ก็ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็คือเป็นไม่มันไม่ใช่ของผมอ่ะคือล้างตรงเนี้ยไม่ใช่ของผมจริงๆอันเนี้ยผมผมผมตรงนั้ผมก็ไม่ไม่ใช่ล้างผมจริงจีผมรู้สึกว่าสิ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ปวดมันเป็นเรื่องแต่ว่าผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้เป็นว่าเออปวดเนี่ยเฮ้ยถ้าใจผมแบบเอาใจเข้าไปไปผักพันเข้าไปปวดมันก็ยิ่งปวดมากใช่ไหมแต่ถ้าสมมตปวดเนี่ย ในสิ่งที่มันปวดกายปวดอะแต่ใจผมผมไม่ได้ปวดด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ปวดด้วยมันก็มันก็อยู่ของมันแล้วมันก็ตามรู้ไปอะตามรู้ไปเรื่อยๆมันก็หายอะมันหายหายคืออาจจะสมมติว่ามันหายเองในในแง่ปวดมันมันมีกัดอันนี้ผมอันนี้มันหายเองมันมีอยู่ผมพอรับแต่ว่าถ้าเราเอาไม่อยู่ก็คือต้องกินยาใช่ไหมอ่าก็ตาม ร้อนก็รู้สึกหนาก็รู้สึกเย็นก็รู้สึกน่นนี่นั่นผ ม, ผมก็จะจะรู้สึกกับมันตลอดเวลาถ้าถ้าผมถ้าผมอยู่กับสติถ้าผมอยู่กับสติได้นะแต่ผมดึงสติไปผมไม่อยู่แบบหลงไปหรือว่าฟุ้งแตกไปฟุ้งเฟ้อเนี่ยอาจจะฟุ้งไปแบบจิตมันไปไหนไม่รู้แล้วแหละแล้วผมก็จะดึงความรู้สึกของผมออกมาดึงแบบหมายความว่า ดูดูลมหายใจดึงเหนียวยาวแล้วก็ผ่อนหายใจยาเฮ้ยดึงลมหายใจยาวๆใช่ไหมแล้วก็ผ่อนใจให้ยาวเนี่ยมันก็จะมีสติขึ้นแบบอันนี้อยู่ปัจจุบันแล้วก็เนี่ยกําลังฝึกอย่างนี้ตอนนี้อยู่รอมันใครกําลังฝึกก็เอตัวผมเองครับไม่จริงอ่อโอเคนะทั้งนี้หลวงพ่อฝากเป็นการบ้านเนาะการบ้านก็คือว่าตอนเนี้ยคือยังมีตัวเรา เป็นผู้ฝึกบ้างยังมีตัวเราเป็นผู้ทำอย่างนั้นบ้างเนาะยังมีเราเนาะยังมีเรายังไม่พ้นเราการบ้านก็คือต้องไปไปศึกษาเรียนรู้ว่าทำยังไงที่จะให้พ้นจากความเป็นเราได้เพราะว่ามันจะพ้นทุกอย่างเด็ดขาดถาวรคือต้องพ้นจากก็คือตัวเราเป็นสังขารเนาะเป็นขันห้าเนาะมันจะพ้นทุกอย่างถาวรได้คือมันต้องพ้นไปจากขันห้าพ้นไปจากความเป็นเราเราเนี่ยเป็นแค่คาสมมติเรียกแต่ว่า มันต้องพ้นไปจากงูนแหละพ้นไปจากขันห้าพ้นไปจากทุกสิ่งทุกอย่างพ้นไปจากความปรุงแต่งเมื่อกี้เนี่ยระหว่างคุยเนี่ยโยมพูดอยู่แล้วโยมใช้คําถูกแต่ว่าต้องไปพิีรณาเพิ่มเติมว่าเออเราพูดถูกเนาะแต่ทําไมมันยังเป็นผมยังไม่ยังไม่พ้นผมทําไมถ้าอุปมาเหมือนกับเตียงที่เราเรานั่งเรานอนเนี่ยเออทาไมอะ่ะทำมันมันพ้นมาจากเตียงได้เตียงมันไม่เป็นผมแต่ตอนนี้มันเหลือผมอยู่ทําไมมันยังไม่พ้นมาจากความเป็นผมเนี่ย ลองลองไปพี่นาดูเพิ่มเติมนะแล้ว อ, อย่างไรก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งอ๋อได้ครับหลวงพ่อครับเฮคขอบคุณมากนะครับ